Bye.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 เจจจีีททองเเห็นกระดูความรู้สึกนี่เองไม่ไปเน้นอันอื่นนะไม่ได้จะต้องไปทำให้เรารู้รู้ความรู้สึกของเราดูความรู้สึกเราก็รู้ได้พอเราดูเราก็รู้ได้ดีไหมต้องดูสังเกตพอเห็นความรู้สึกมันจะเข้าใจมันจะเห็นกายกรําของมันนะ เห็นความรู Sometimes ้สึกของเรานี่ยหละเห็นกายเห็นใจมันจะเห็นรวมเห็นพร้อมหมดเลยชีวิตมันก็จะเรียกง่ายนะนี่เราก็ปรับดูนั่งไงขนาดีีนั่งไงไม่ปวดเมื่อยมันโวดเมื่อยจะรู้จักแก้ไข แก่มันหายปวดหายเมือ่อยยืดเนื้อยืดตัวยืดหลังยืดเอวสังเกตดูไม่เกรงเนื้อเกรงตัวไม่อ่านไม่กันนี่สําคัญเลยทุกอรียบททุกขณะเห็นความรู้สึกเราตัวจดูเราเห็นอะไรเรสบาทุกทีไม่ว่าจะทําทการทํางานอะไรอยู่บางทีเราไม่ได้ดูอะแเราลงมาดูทีมันจะต่างกันเราจะเห็นเลยว่าอ้อ อรู้แล้วเราจะปรับได้แหละปรับให้มันโปรงให้มันเบาไม่ธรรมดาไม่รู้จริงมันจะอั้นมันจะกั้นนะื่องมันจะเกรงนะพอมันอั้นมันกั้นจีตใจมันอั้นมันกั้นร่างกายมันกเกรงเลือดลงเดินไม่สดเดือมันก็เลยทําให้ปวดเมื่อยง่ายถึงไม่ทํางานจะเดินเดินนั่งนอนนั่งอยู่นอนอยู่ก็เหมือนกัน ถ้าเราได้ดูผ่อนคลายก็ต้องเป็นไปต้องรู้จักพ่อนคลายนี่แหละนี่ยคำว่าแก้ทุกข์แลออกจากทุกข์ก็รู้จักพรคลายขี่คลายสบายทุกทีเนี่ยมันง่ายง่ายเร า, าทีละทาไปสร้างจิงหวากันดูเบาเบาแขนไม่ต้องนะง่ายเบาดี ผมเกินกนดีเป็นไปเพื่อนุ่มนวลจิตใจอ่อนโยนนุ่มนวลมันไม่แข็งกระด้างจะเป็นไปมันก็สบายสบาก็สบายบาบาสบายบบาเบสบายสบายเนี่ยลูยอย่างนี้มันไม่ต้องทำอะไร ความรู้สึกโดยความรู้สึกของเราไม่ต้องมีความคิดความเห็นกับพักอยู่หรือเห็นความรู้สึกของเราก็รู้จักพักความรู้สึกดยที่ดูได้พักไหหยุดไนดะ้หยุดหรือพักอันเดียวความรู้สึกมันหยุดทีเราไม่ดูมันไม่หยุดมันกคิดนึกไปวิพาควิจารอะไรอะไรไปเรื่อยก็เป็นภาระทางจิตแล้วนั้นถ้าความรู้สึกเราหยุดได้จะเป็นต่างกันนะ มันเห็นคามรู้สึกมันหยุดหรือพักอยู่ยอดอยู่เราลับากใจเป็นไปเพื่อบ่าวา่าไม่มีอะไรบริสุดธินด์นั่นธรรมชาติรุนรุนไม่มีอะไรเอามาเฉยๆเป็นธรรมชาติรุนรุนหรือจิตรุนรุนความรู้สึกรวนรุนมันไม่มีอารมณ์มอะไรอย่างอื่นไม่มีอารมณ์ยินดีอินไล่ต้องการไม่ต้องการอยากไม่อยาก จิตมันก็ไม่ดิ้นเลจิตมันก็ไม่ดิ้นหลยมันก็ไม่เด้าร้อนไปสังเกตดูทีอดีตที่ผ่านๆานบางทีแล้ไม่รู้ตรงนี้จิตมันดิ้นลนจิตมันเล่าร้อนมันทำอะไรบางครั้งมันก็ไม่ได้อย่างใจได้อย่างใจบ้างไม่ได้อย่างใจบ้างอะไรนี่นะหรือสมอยากมันไม่สมอยากมั่งใจมันเล่าร้องดิ้นลมนั่นแหละทุกแล้ว ไม่ปกติเลนะในภารู้อ๋อถึงมันจะเป็นเราก็รู้รกแก้ได้น ะ, นะไม่ใช่เราจะไปห้ามไม่เป็นไม่ได้เพราะเรายังเผลอสติเราก็จะรู้จักการได้รู้จักแก้ได้นะถ้าเรารู้เท่าทานอยู่นี้เราก็จะการได้ว่าไม่ให้มันเกิดอย่างเนี้ยนะทําอะไรก็ย้ายจิตเล่าร้อนเกียร์เย็ทำไปทาอย่างเย็น อ, อกเย็นใจ แต่ไม่ใช่เย็นจนอืดอาชื่อาเฉยชาก็ไม่ใช่นะเออเย็นแต่องเป็นไจเพื่อค้องแค่วว่องไวก็ต้องดูงานว่างานงานต้องเอาเร็วหรือเปล่าเร็วเราก็เร่งมันเร็วแล้วเราก็ดูใจเราดูอารมณ์เราอยากให้มันร้อนเนี่ยนะโอ้พิเศษจริงจริงเนี่ยหลวงพ่อก็ดูอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้ลงมาบอกเราอย่างเนี้แล้วของเราก็ดูเอง มันจะไปทําตามใครอะใช่ไหมก็รู้ได้เนี่ยใช่ปัะก็รู้ได้อะรู้จักอย่างเนี้อ๋อวิเศษเนี่ง่ายๆแต่ที่ไม่ง่ายเพราะเราไม่ชินเราก็คยเผือดูลืม ด, ดูทุกทีใช่ไหมอันนี้นึงเดียวเราก็มาเคลื่นอนไหวสร้างแก้วให้มันเตินนอนเตือนตุกคนอย่ามีให้ดูด้วยเป็นไงตนเติอนเตือนทุกคน กระปี้กระเป๋า ม, มีชีวิตชีวาไหมนี่มันก็ไม่ถ้าอย่างเนี้ยถ้ามันมีกระปี้กระเป๋ามันมีชีวิตชีวานะนะมันเติร์นนื้อเติร์นโตอย่างนี้มันก็ไม่เบือ่อมันก็ไม่เซ็งลองสังเกตจะไม่เบื่อจะไม่เซง็งจถ้าโลอยู่นี่ละผาจิตใจกระโปรงเบาว่างเย็นออกเย็นใจโอ้ทำงานนี่อร่อยสนุก เม่ีนี้อย่างนี้มันจิดใจมันก็ไม่จะไปหวังอะไรเพราะมันมีความสุขอยู่แล้วนะจะหวังหรือไม่หวังมันก็ได้อยู่แล้วก็ทํางานก็ต้องได้งานนะหรืองานที่ทําไปก็ต้องได้เงินไม่จะไปหวังก็ได้เงินมันได้อยู่แล้วมันเป็นผลคอยได้นะแต่สบายกว่าไม่จิตแล้วก็ไม่เป็นภาระ เลยยังไม่เป็นภาระเพราะอะไรบางทีเพราะไม่จิตแล้วไม่มีภาระมันไม่มีอยากไม่อยากต้องการไม่ต้องการหวังไม่หวังไม่มีโอได้มากได้น้อยมันก็พอใจพอใจได้น้อยมันก็พอใจได้มากมันก็พอใจเหมือนกันไม่ต่างกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่รู้อย่างนี้จิตมันมีแต่ความอยากความต้องการแม้อยากให้ได้เท่านั้นเท่านี้อ๋อพยายามเดี๋ยวดิลน์ลนไปดิ เนี่ยคนไม่รู้จักมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆพอรู้แล้วอย่าไปเป็นงั้นมันจะไม่เป็นเองนะเราไม่ต้องไปบังคับก็อยากให้เป็นสังเกตเหนไพอรู้สึกตัวจิตอยาก se, ยาก็ไม่มีไม่มอยากก็ไมีต้องการไม่ต้องการมัมีจิตไม่ได้มุ่งมุ่นเกาะเกี่ยวอะไรจิตที่อิสระเห็นไหมตอนนั้นเรียกว่าอิสระอ а จะมีอะไรไหมไม่มีอะไรนั่นแหะจิตใจเราจะว่างจากกิเลสนี่ ให้กุหลากิเลสนี่แหละมันทำให้เราให้จเราวุ่นถ้ามันมีกิเลสจิตมันจะวุ่นอ่ะว่างนั้นให้เข้าใจะเวลาจิตมันวุ่นมันดิ้นรนอะไรไรนั่นเนี่ยกิเลสมันเข้าไปนะเดี๋ยวจิตใจเราถูกบอกตัวแล่ะเขาค้าไม่รู้อีกจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนั้นไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกนะมันก็เป็นลมๆแรงๆอ่ะเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาทัมันไม่ใีตัวตน นะมันก็อยู่ที่ความรู้สึกรู้สึกมันก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องตามราวมีความคิดความเห็นไปตามเรื่องตามราวมาพอมารู้มันก็ไม่เป็นนะมารู้มันไม่คิดตามเรื่องตามราวนะถึงมันจะคิดเรื่องอะไรมันก็คิดแล้วมันก็รู้น่ะมันก็รู้ะให้มันเตื่นเต้นอยู่มันจะรู้ว่าเออเป็นสาระไม่เป็นสาระไม่เป็นสาระเรื่องอะไรมันจะไปคิดมันไม่คิดหรอกมันจะตัน อันหลวพอเทียนหนึ่งว่าดูความคิดให้ตัดความคิดเนีย่ยท่านพูดอย่างนี้มันไปไปตัดหมดเลยคิดดีคิดไม่ดีอย่างนี้ใช่ัหมบางทีคิดสิ่งที่เป็นสาละจะไปตัดได้ไงตัดได้เราต้องมาไม่ตัดสิใช่ไหมก็ตัดเฉพาะสิ่งที่มันไม่เป็นสาระติดที่มันคิดไปแล้วมันทําให้จิตใจเราสร้าหมองง่วหมองทําให้จิตใจคุณงัวงรู้เสียความรู้สึกอย่างนี้ไม่เนาอย่าไปคิดมันเราต้องรู้เท่าทัน นี่ค่ะมรักษาผมมานจันนะกาปฏิบัติธรรมเราพอายามรักษาผมมานจันรักษาความรู้สึกของเราเนี่ยพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะอย่าให้เสียความรู้สึกอย่าให้ย้ายมันเกิดคุณงัวเศร้ามองนั่นน่ะเรียกวผมมานจันเสียแหละเสียผมมานจันไ้แล้วเสียคุนงาความดีไป พ่อดูไอตรงนี้วันวันห น, นึ่งเออต้องคอยดูวะอย่าให้เสียนะจะทําอะไรแต่ อ, อะไรก็เออมันร้อนมันเย็นไปเห็นได้ไมันเย็นไหมถึงเราทํางานต้องเอาเร็วต้องรีบแต่อย่าให้ร้อนใจเราก็ต้องไม่ร้อนรีบทันได้ไม่ร้อนนะไหมบางคนไม่รู้อ่ะ รีบแล้วมันก็ร้อนด้วยก็อยากแค่มันเร็วๆอะ่ะแต่นี้มันก็ไม่ได้อย่างใจเอาละยุ่งละนี่ใช่ไหมนั่นสังเกตดูที่ให้มีอะไรมีศึกษาไปศึกษ า, าที่ไหนศึกษาที่ตัวเราแล้วเราไปอ่านในตาราเนี่ยมันจะมันจะสู้อ่านที่จิตใจเราได้นะถ้าอยากรู้อย่างนี้มันอย่างให้ดีกว่าใช่ป่ะอ<ม>ือันนี้ของจริงๆแท้ๆนะอย่างนี้เรียกว่าเห็นปรัมมัต้องเห็นความจริง น่นเลยว่าเป็นวิปัสนาเป็นความรู้อันวิเศษรู้อย่างนี้เรี่ยเรามีความรู้วิเศษแล้วนี่เรีย่ยวมีตาทิพมีหูทิพหน้าทาไมรู้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ใช่ตาทิพหูทิพจะไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะอันบางคนนี่มาถามยังไงรู้สึกยังไงงงเลย้รู้สึกยังไ ง, ง, งไดูไม่ออกนะ แต่บางคนก็รู้ได้ตอบได้ทันตีเลยวนะบางคนก็ไม่ค่รู้อ่ะแล้วแม้แต่คนที่เคยปฏิบัติันานๆเขาไม่เคยดูจิต ด, ดูใจเขาก็ไม่รู้นะเนี่ยเราก็ไปรู้แต่ความเคลื่อนไหวเคลื่อนแบเนี้นะก็ดูความเคลื่อนไหวก็เพลินเลยค่ะความเคลื่อนไหวก็อยู่กับความเคลื่อนไหวแล้วมันก็สงบก็สงบจังหวมันก็ไม่คิดนึกถึงก็เพลินอยู่่ะนะ อเพลินอยู่กับความเคลื่อนไหวอย่างนี้อย่างนี้เลยเไม่สมถะมันก็สงบอ่ะแต่ไม่เห็นความสงบเนี่ยที่หลวงพ่อเทีนบอกว่าสงบแบบไม่รู้ก็ไม่เห็นความสงบอออันนี้เราทําไปเราเห็นความสงบของเราเคลื่อนไหวเราก็เห็นสงบเราก็เห็นเห็นหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบแบบรู้รู้อะไร ห, หมดอ่ะจิตใจก็สงบ อะไรงกันรู้วะนะเคลื่อนไปไงเรก็เห็นได้บทเมื่อยไหมสบายมือสบายแขนเสียกันมางมันรู้ได้หมดแลวนั่งไงบทเมื่ยขยับแขงขยับขาลูจักเนี่ยรู้ว่าปวดเมื่อยก็รู้จักแก้ไขปัญหาปวดหายเมื่อยนะแล้วเราเคยดูอยู่หายใจเป็นไงเนี่ยรู้จักไปหมดพอโต้งล้มอกล้ใจเราจะเอาอะไรชีวิต เราลองถามตัวเองถ้าเราเข้าใจอย่างเนี้ยรู้จักอย่างนี้จริงๆเรงลองถามตัวเองแล้วจะเอาอะไรจะดิน้นลนเอาอะไรครับตัเดิมเดินลนใช่ไหมแล้วคนเราไม่รู้มันก็ไม่รู้จักพอใจไม่รู้จักไม่เห็นจุดยืนตรงนี้ไม่เห็นชีวิตไม่รู้จักชีวิตเขาก็ดินต่อไปก็ดินไปก็หาทุกข์กทุกข์ไปอนยะถ้ารู้จักก็อย่างนี้จะเอาไม่เอาก็ต้อเป็นอย่างนี้มีการมีงานทำก็ต้องทำไป ก็เด uh ็อย uh ่าไปเบื uh ่ออย่าไปท้อแท้เบื่อนานถึงจะทําทุกวันทุกวันยังไงมันจะเบื่อไม่ได้อ้าจะเบื่อทําไมอ่ะเบื่อก็ต้องทําไม่เบื่อก็ต้องทำแล้วเรื่องอะไรไปเบื่อให้งงอ่ะใช่ไหมเงื่อให้มันทุกข์อ่ะใช่ไหมก็ต้องยอมรับความจริงเนี่ยอย่างนี้เห็นสัจธรรมหรือเห็นความจริงทุกเรื่องรู้จักหน้าที่เออหน้าที่ก็ต้องทำเนี่ยอยู่วัดกันเอา ตอนนี้ผ่านเร็วหน่อยทบายโม่บ่ายโม่โมก็ลงกว่าดแล้วจะอยากกวาไม่อยากกวาก็ต้องกวาถ้าไม่อยากกวาก็เป็นทุกข์แล้นะเก็ไม่มีไอ้รู้หน้าทีถึงเวลาบาจะมาสนุกบาจะมาสบายแล้วการที่มันกายสบายใจสบายนะมือแขนอขาแขนสบายมันก็เป็นความสุขอีกแล้ นะไม่มีอะไรหรือจะทํา ท, ทาทงทํานะาแล้วอย่างเดินไหมือนะยืนเดินนั่งแล้วไม่ทำเหมือนะนั่งยังไงถึงจะสบายดีจะแปงแขงแปลงขาหัางไงก็ให้มันเป็นไปเพื่อมันสบายเนี่ยมันหนึ่งวอยรู้จักดูตัวเองเห็นตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองไม่มีอะไรแต่มีอะไรอย่างเงี้ยนาะดูนะเออ ถ้าไปมงก็จะเอาอะไรอยู่แล้วมันก็เลยเถิดไปกันเลยเลยนะี่นก็อยู่ที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คำว่าอยู่ปัจจุบนันก็รู้ปัจจุบันนั่นเองจบแล้วเนี่ยจบเนี่ยพูดไหลจบแลนะนะ <c oughs> พูดอย่างนี้ต้องจับจุดได้นะได้นะอ่านี่ต้องให้เห็น แล้เห็นแล้วม่ใช่แค่นี้เราต้องเห็นกว้างกว่านี้ใช่ไหมเราก็จะเข้าใจมันจะมันจะมีความรู้มันจะเปิดเผยเนีพอถึงเปรียบมันของข้ามแล้วของหงายแล้วก็เห็นหมดเลยนะเปนของที่มันข้ามเลยู่แล้วก็ไม่เห็นพอ เ, เปิดก็ององเห็นหมดะเปิดเผยหมดสงสยัยแต่เขใช้เวลาหน่อยไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะบางทีเดี๋ยวนี้ถ้าหมดสงสัยได้ก็ดีไวแล้วนะถ้าใช้ยังไม่หมดสงสัยก็ดูไปเรื่อยๆต้อเข้าใจนะ ไม่ต้องไปค้นหาที่ไหนดูเดี๋ยวนี้แล้วถสบายก็ใช้ได้ลแล้วแล้วดูไปเรื่อยๆมันก็เข้าใจมันก็กว้างไปกว้างไปเรื่อยๆนะให้เข้าใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ได้แค่ไหนก็ เ, เอาอยู่แค่นี้ไปนม่นจะรู้ไปเองอ่ะนะมันจะมองเห็นเองแต่ลมันจะไม่เลื่องกายลื่งใจไม่เลือ่องปัจจุบันตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเลื่องเห็นอดีตเห็นอนาคตคิดถึงอนาคต พยายามรูว่าวางแบบแผนเรื่องอนาคตเราจะดำเนินชีวิตยังไงต้องทําอะไรยังไงนะเราเตรียม น, นะพอถึงเวลาปุ๊บมันจะไม่งงก็ต้องทําไหนก่อนไหนหลังนะมันจะไห่มันจะไม่นั่นไม่สับสนการงานไม่สับสนแต่มันก็ไม่ใช่ไปย้ําคิดย้าลู้นะ พอรู้นิดเดียวมันรู้แล้วอ๋อเรามันถึงเวลาลวอืมมันก็เป็นไปเลยเนี่ยรั้วนาคตต้องทําอะไรจะ่แม่ไม่ไปติดมันก็ไม่ไปติดไม่ไปยึดไม่ไปหมกมุ่นไม่ไปเกาะเรียวอืถึงอดีตที่ผ่านมามืนก็เหมือนการที่ผ่านมาเออดีไม่ดีแล้วก็จะเริ่มที่จะผ่านออกไปข้างหน้าก้าวต่อไปนี่ก็ต้องดูแหละอดีตผ่านมายัางไรมันถูกมันผิด เออมันถูกเราก็อย่าลืมต้องพยายามทําให้มันถูกอ่ะถ้ามันผิดเราก็ต้องแก้ไขเนี่ยปีใหม่ปีเก่าอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้มันต้องคิดละมันก็เหมือนกันนะจนะปีใหม่ปีเก่าทุกวันไม่ใช่สามร้อยหกสามร้ยหกสิบกว่าวันก็มาคิดเทีอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะสองร้อยวันก็มาทบทวนเทีนี่แย่เลยล่ะต้องทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวนี้นี่อ้าวนี่ผ่านไปไงผิดถูกอืมต้องระวังละ เนี่ยผู้ถึงว่าเนี่ยความระลึกได้เนี่ยรู้สึกตั ว, วนี่สมัยก่อนนี่ออกบินน้ำานแล้วก็มีบางที่เนี่ยมันก็มีตอไม้มันอยู่เดิน ไ, ไ่ทุกไลท์เตะมันทุกเออมันจะได้จังหวะไปเตะทุกไปตอไม้เน่ะทุกทีแล้วโอ้โหแล้วเราไม่ใส่รองเท้าอ่ะบินน้ำบาตไม่มีใส่รองเท้าหนึงก็เตะก็โดนจังๆนั่นแหละนะออ <c oughs> นะ <c oughs> วันนี้เจ็ปวดเลยอยู่ตรงนี้นะจําไว้นะ พรุ่งนี้มาอีกเตะอีลืมอีกนะเอาอีกวันก็ไปอีกออนะเดี๋ยวไาาหลเที่ยวตอนนี้เกิดโอ้พอจะถึงตรงนั้นโอ้นี่มาวันแล้วเตะเดี๋ยวเตะมาไหลเที่ยวแล้วนะออนะวันนี้ต้องระวังตอนนี้ไม่เตะและเนี่ยถามว่นะสุตัวดีหรือล่ะ <c oughs> นี่เคยมาหมดนะนะปิดประตอง g ปิดประต ong ี่ปิดแล้วก็ลืม เราไม่ได้ดูว่าเนี่ยปิดแต่ใจมันก็ไปอยู่ที่ไหนนี่ปิดประตูใส่กุญแจเสร็จก็ไปได้พักเองประตูปิดหรือเปล่าวะใส่กุญแจหรือเปล่าเดินกลับมาดูอีกแ้ฮะเจ็บปวดเนี่ยที่โดนก็หลายหลายครั้งหลวงพ่อต้องแ้ะเดี๋ยนี้ไม่เป็นแล้ะหลวงพ่อให้เป็นแล้วนะรู้สึกอะต้องเห็นความรู้สึกว่าเราทําอะไรเห็นความรู้สึกถ้าเรารู้สึกมันลืมได้นะ บางครั้งก่อเนเคยเวลาเอ้เรารู้สึกว่าเราใส่เดี๋ยวแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วครับจําไม่ได้ถ้าเห็นความรู้สึกมันมันจำได้ไหมอเออเดี๋ยวนี้เราทำนี้นะนี่เราทําเสร็จแล้วอยงนี้นะเห็นความรู้สึกของเรามันจะไม่ลืมนะ่ะถ้าเป็นเรารู้สึกมันยังลืมเคยนะัเขย่าวเ ย, ยาวนะเอ้นี่ยใส่เสร็จแล้วนะอย่างนี้นะฮพอเดินไปพักนัานนมะยังลืมเลยเอ๊ะอะไรวะ <laughs> นะเนี่ยพอมาจับจุดได้พอเห็นความรู้สึกตอนนี้ไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยถึงเียว่าต่างกันสังเกตเองกัแล้วกไงจริงไม่จริงไปดูที่ตัวเองกันแล้วเพราะมันไม่รู้อ่ะเพราะเรามีเห็นความรู้สึกแล้วมันมันต้องให้ต่อเนื่องพอเห็นแล้วมันต้องต่อเนื่องแต่พอเรารู้สึกนี่มันไม่ให้ต่อเนื่องฮนะพอรู้สึกนี่แป๊บเดียวพอรู้แล้วแป๊บเดียวไป็นรู้อย่างอื่นละลืมละเนี่ยจําไม่ได้แล้ว่นะ แต่นี้พอให้เรารู้สึกอยู่เห็นคว า, ามรู้สึกว่าทําอย่างนี้ถึงเรา่ะผ่าออกจากตรงนั้นเราก็ยังเห็นคว า, ามรู้สึกอันนั้นว่าเราทําอะไรไว้เราวางของไว้ตรงไหนหรือเราเคยลืมก็้องเราลึกอย่างนี้ไว้โอนี่ระวางนี้พอเดินออกจากที่แล้วครับอ้นี่ระวางของไว้ตรงนั้นตรงนั้นนะเราทําอะไรไว้ตรงนั้นน ะ, เ, ะไไนนนะเดี๋ยวมาดีจะได้เราเคยลืมอย่างนี้อไม่ลืม ในบางคนจะหลงหลงลืมลืมอย่างนี้ของพ่อไม่เป็นหรอกถึงมีบ้านกันน้อยอะน้อยบางอย่างาที่สาคัญสําคัญนี่ลืมไม่ได้ทุกเรื่องไปทุกอริยพอทุกขณะนั่นถือว่าดูความเคลื่อนไหวทุกขณะมันต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วจะลุกจะ น, นั่งจะยืนจะนอน เดินหน้าถอยหลังเหลียวซ้ายแลี้วขวาก้มเงยนี่เห็นความรู้สึกของดูความรู้สึกของเรนี่ยบางคนที่เดินจงกรมกเดินหน้าถอยหลังเราเถอยหลังเดินแต่ถ้าไม่เห็นความรู้สึกมันไม่ได้อะไรนะมันต้องเห็นความรู้สึกจะเดินหน้าถอยหลังก็ต้องให้เห็นความรู้สึกด้วย ความรู้สึกมันเป็นอย่างไรรู้หรือไม่รู้หรือมีเจตนาอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรมามีความคิดนึกอย่างไรบางทีความรู้สึกมันขี้เกียจขี้คันความรู้สึกมันเบร์เบรความรู้สึกมันเฉยชาตืดอาดเยื่อหยาดทอแทอะออย่างนี้ต้ารู้จักที่จะสลัดมันออกไป พอรู้ตัวต้วองพอรู้นั่นน่ะมันจะอืมเราจะขจัดมาได้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่ายางอสาวะหายาหย า, ย า, ยา ไ, ปไปสิ้นไปซึ่งอาสาวะอสวกหมายนึงขอ ท, อ ท, าทา้อแท้เบื่อหน่ายเบอเบอซึมซลื่อยอย่างนี้ง่วงเหงาเหงานอนุกซึเพิ่งพอเรามารู้ตัวเห็นตื่นขึ้นมานสาลาไปแล้วพอตื่นนั่นน่ะหลุดกันไปแล้ว แต่้องให้รู้นะต้องให้หลุดนะนะไม่ใช่ไปยไปจมอยู่มันต้องเห็นนะต้องเห็นด้วยว่าเอออันนี้มันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นความดีหรือความคามชั่วแล้วเรื่องอะไรอยไปอยู่กับความชั่ว <c ười> นะไม่ดีก็ต้องสลัดมันออกไป เขาว่ายอย่าให้มีโอปปะปุด โ, โอปปัตถะทั้งหลายงอย่างมีแก่ข้าพเจ้าเลยเนี่ยนะโอปปัตวะกหมายถึงความชั่วร้ายสิ่งที่ทําให้ไม่ชีวิตจิตใจไม่มีคุณภาพนั่นะเป็นความชั่วร้ายทั้งนั้นเป็นความเสื่อมไม่ใช่เป็นความเจริญมันไม่ก้าวหน้ามันไม่สร้างสรรค์ มีแต่ล่าหลังถอยหลังหรือแม่ไปยั้งเท้าอยู่กับที่ไม่เจริญเนี่ยผู้ไทฟังนี่ครับเป็นการเดินจิตสกิจใจแล้วก็พยายามที่จะดูเราต้องให้มันตื่นตัวไว้ว่าต้องตื่นตัวจากสิ่งเหล่านี้นะอ้าฮั โ, ฮโลมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะตื่นตัวตัวนั้นมันยานเตืน่นเข้าถึงความรู้ค ว, ความเตื่นความเบิกบาน พุทธภ า, าวะเข้าถึงภาวะเข้าถึงพุทธภ า, าวะหรือเข้าถึงคามรู้เนี่ยพระเจ้ารู้อะไรนี้เขารู้อย่างนั้นเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราก็เห็นตัวเราเขาได้หรืเห็นแต่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตก็ได้พระเจ้าเขารู้อย่างแล้วก็รู้ไม่อย่างพระเจ้า อ๋อพระเจ้าจะรู้อย่างนี้เราไมา่เห็นที่ตัวเราเราอย่าเข้าใจ